ธรรมบรรยายเรื่องปัจจุบันสำคัญที่สุดโดยท่านวรวชิระเมธีบรรยายณท่านทัศถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณันะปนี้ ความสวัสดีจเมีกับท่านผูน้บริหารและพวกเราผู้สนใจในธรรมะทุกท่านอาตมาภาพเคยมาบรรยายธรรมในเรือนจำหลายครั้งหลายหนและทุกๆครั้งก็ได้เรียนรู้ธรรมะดีๆจากเรือนจำทุกครั้งไปสิ่งดีๆ ไม่ได้อยู่นอกเรือนจำเท่านั้นในเรือนจำก็มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายให้เราได้เรียนรู้ที่เรือนจำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสองปีที่ผ่านมาธรรมภาพได้ไปแสดงธรรมและนำสมาธิภาวนาที่นั่นอัตมาพบ ว, ว่ามีผู้ที่อยู่ในเรือนจำหลายคนได้อ่านหนังสือธรรมะหลายๆเล่มรวมทั้งของอัตมาภาพด้วยมีผู้ต้องขังคนหนึ่ง ได้อานหนังสือธ ร, รมะของธรรมภาพแล้วเขาสึกเกิดความเปลี่ยนแปลงเขามีความสุขเพิ่มขึ้นเขาจึงรู้สึกอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับธ ร, รมภาพซึ่งเป็นผู้สอนธรรมะให้แก่เขาด้วยท่านตัวหนังสือเมื่อรู้ว่าต ร, รมภาพจะไปสอนเขาจึงไปพบผู้อำนวยการแล้วก็ขอสีกระดาษ ปากกาอุปกรณ์สำหรับวาดภาพแล้วเขาก็ลงมือวาดภาพอัตมาภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนมาก่อนและเมื่ออัตมาภาพสแสดงธรรมในวันนั้นจบเขาก็ได้รับอนุ ญ, ญาตให้นำภาพมามอบให้อัตมาบนเวทีอัตมาภาพเรียกเขาให้มาใกล้ๆเพื่อให้มาถวายภาพกับมือเขาเอง เขายื่นภาพให้ตมาซึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้ตมาหัวเราะอย่างมีความสุขอัตา ม, มาถามเขาว่าคุณวาดภาพใคร <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้คือรูปของพระอาจารย์ <c oughs> ผมวาดสุดฝีมือ <c oughs> อัตา ม, มาบอกว่าคุณเป็นศิลปินสาขาวาดภาพไม่เหมือน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ปกติเวลาเราเห็นศิลปินวาดภาพบุคคล <c oughs> เขามักจะวาดภาพเหมือนและเหมือนมาก เขาบอกอาตมาว่าใช่ผมถนัดวาดภาพไม่เหมือน <c oughs> เพื่อยืนยันว่าฝีมือเขายอดเยี่ยมแค่ไหนอาตมาภาพให้เขายืนขึ้นแล้วหันภาพไปให้เพื่อนที่มาฟังเทศบาล น, นั้นกว่าห้าร้อยคนชมพร้อมกันและท่านใดนั้นทุกคนก็หัวเราะฮาเติม <c oughs> ภาพหนึ่งภาพทำให้คนวาดมีความสุขและเพื่อนที่มาฟังเทศบา น, นั้นกว่าห้ารอยคนทุกคนหัวเราะยังมีความสุขกับภาพของเขา และหลังจากนั้นเป็นต้นมานักโทษคนนั้นก็กลายเป็นคนดังเขาวาดภาพทุกวันและเขามีความสุขกับการวาดภาพเขาบอกให้อตมภาพให้แวะไปหาเขาทุกเดือนและเขาก็บอกและผมจะวาดภาพถวายพระอาจารย์เองอตมภาพรับรูปนั้นมาและยิ้มอย่างมีความสุขสิ่งเดียวที่เหมือนาตมภาพก็คือเบนตาน่องนั้น <c oughs> นึกไม่ออกว่าเกี่ยวกันต่อมายังไงนี่คือตัวอย่างว่าเราสามารถค้นพบสิ่งดีๆได้ในจิจใจและเราสามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเราได้ความสุขนั้นเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักที่จะสร้างมันขึ้นมาความสุขไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมันนั่งรอและให้คนอื่นเอามาให้เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง เมื่อหลายปีก่อนธรตมาภาพได้ดูบทสัมภาษณ์ของนักโทษคนหนึ่งซึ่งต้องโทษประหารเป็นนักโทษชาวไทยนักโทษคนนี้เข้ามาอยู่ในเรือนจำโดยอุบัติเหตุบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพยายามต่อสู้คดีทุกอย่างแต่แล้วก็แพ้เมื่อสารตัดสินถึงที่สดทุกๆุกวันเขาได้เอาแต่นอนรอวาระสุดท้ายของชีวิตวันหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงพักเขาได้ออกไปเดินเล่นภายในอนาณาบริเวณที่ทางรั้นจำจัดไปให้ขณะนี้กำลังเดินทอด น, น่องอย่างสิ้นหวังเขาก็ได้เหลือไปเห็นกับยอดผักบางชนิดซึ่งโผล่แทรกออกมาระหว่างรอยแยกของพื้นซีเมนต์มันคือยอดมันแกวยอดมันแกวนี่ถ้าเอาไปทำอาหารก็อร่อยมากหัวมันแกวนี่ก็อร่อยมากเอามาทาเป็น เป็นมันทอดก็อร่อยนักโทษหลายคนคงจะเคยเห็นยอดมันแกวที่โผล่ออกมาตามแนวแตกของพื้นปูนซีเมนแต่ว่าคนอื่นเห็นแล้วก็เห็นเลยไม่ได้สังเกตอะไรต่างจากนักโทษชายคนนี้มากเพราะทันทีนี้เขาเห็นยอดมันแกวโผล่ออกมาตามอรอยแย่เขาฉุกคิดเขาเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าพื้นปูนซีเมนที่แสนจะแข็งแก่ง แล้วเจยอดมันแก้วที่แสนจะอ่อนนุ่มแทรกตัวขึ้นมาได้ยังไงก็ในเมื่อยอดมันแกวยังไม่ยอมแหแล้วเราจะมานั่งยอมแหอยู่ได้ยังไงเขารีบกลับเข้าห้องของตัวเองแล้วลงมือทําในสิ่งซึ่งเพื่อนเพื่อนร่วมห้องอัศจรรย์ใจนั่นก็คือเขาแต่งเพลงชายคนนี้ไม่เคยแต่งเพลงมาก่อนแต่แล้วเขาก็แต่งมันได้เป็นร้อยๆยเพลงเพลงแรกที่แต่งก็คือ เจ้ายอดมันแกวแล้วก็คุณส่งเพลงที่เขาแต่งเปดนวยร้อยเพลงนั่นน่ะไปยังสถานีวิทตยุแห่งหนึ่งเพื่อขอให้ดีเจอ่านเพลงของเขาหรือร้องก็ได้ออกอากาศให้คนทั้งประเทศ ฟ, ฟังปรากฏวกก่าโคศกหรือดีเจที่สถานีวิทตยุเห็นจดหมายของเขาไหลเข้ามาแบบวันต่อวันวันต่อวันเป็นอย่างนั้นตั้งหนึ่งปีแต่ก็ไม่เคยอ่านออกอากาศและ ก็สังเกตเห็นว่าสัมมวนการเขียนของเขานี่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนใกล้จะเป็นมืออาชีพแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบ ร, รมราชินีนะเป็นเพลงที่ไพเราะเพราะเพลงมา DJ กดีเจคนนั้นก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะเพลงเหล่า น, นี้ต่างจากทุกๆเพลงซึ่งเขาเขียนมานะเขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนถึงสมเด็จพระนางเจ้าเขียนถึงสมเด็จแย่ของเราด้วยอย่างเพริดพริงพันนารายภายัยราะเหลือเกินเราต้องตามไปดูว่าคนคนเนี้เป็นใครมาจากไหนทําไมถึงส่งเพลงให้เราทุกวันก็จึงไปรื้อเอากองจดหมายมาเพื่อที่จะตามไปดูว่าจดหมายเหล่านี้ถูกส่งมาจากไหนแล้วก็ตามที่อยู่นั้นไปในที่สุดก็ไปถึงเรือนจําแห่งหนึ่งแล้วก็ขอพบตัวนักทวษคนนั้น เมื่อไปพบแล้วทุกคนก็ตกใจมากเพราะชายหนุ่มคนนั้นไม่มีวิแววของความเศร้าเลยคนสุกถามว่าคุณคือคนที่แต่งเพลงแล้วส่งไปยังสถานีวิทยุของเราทุกวันใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ครับผมเองผมยังมีอีกเป็นพันๆเพลงเลยดีเจก็ถามว่าคุณแต่งเองแล้วคุณร้องไหมเขาบอกว่าใช่ผมร้องผมพร้อมจะร้องให้ดูตอนนี้แล้วเรื่องราวของ นักโทษนักแต่งเพลงคนนี้ก็ถูกนำมาบอกเล่าจนกลายเป็นสารคดีทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งจากนักโทษที่สุขภาพจิตโทรมเขากลายเป็นนักโทษที่มีสุขภาพจิตที่ดีมากและเบิกบานกับการแต่งเพลงทุกวันและก็ได้การเลื่อนขั้นให้เป็นนักโทษชั้นดีในที่สุดก็ได้อ่านแผ่นเสียงกลายเป็นนักร้องจิตจริงขึ้นมา และดูเหมือนจะได้รับพระราชทานอาภัยโทษเข้าใจว่าบัดนี้น่าจะอยู่นอกคุกเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ควรจะบอกอะไรแก่บพวกเราถ้าเราไม่สิน้นหวังประตูแห่งโอกาสยังพร้อมที่จะเปิดให้พวกเราเสมอนี่คือเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเพื่อเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเรือนจำไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกจองจำไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะสูญเสียสรภาพทางกายแต่ไว้สรภาพทางจิตทางปัญญานั้นยังอยู่กับเราครบถ้วนฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเราไม่เอาแต่รอชะตากรรมไปวันๆทุกคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอบางครั้งเราก็เลือกชะตากรรมของเราไม่ได้แต่เราเลือกที่จะผเผชิญกับชะตากรรมของเราได้เช่นนักโทษทางการเมืองคนหนึ่งชื่อแนลสันมันเดลา อดีตประธานอธิบดีของแอ ฟ, ฟริกาใต้ถูกจับกลุ่มคุมขังในลักษณะขังเริมถึง27ปีเต็มเขาถูกจับกลุมเมื่ออายุ40 ต, ต้นต้นและได้รับอิสรภาพอีกครั้งเมื่อตอนผมสีดอกเหลาอายุ70ต้นตนตลอดเวลาอันแสนยาวนานในเรือนจำนั้นเพื่อนของเขานับส0คนเสียชีวิตเป็นโรคจิตประสาทแต่เลสันมันเดลา ยังคงมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์และดวงตายังคงทอประกายแห่งความหวังสุขสกาวในเรือนจำนั้นใ น, นขณะที่เพื่อนๆ เ, เอาแต่ใช้ชีวิตยอย่างสิ้นหวังแต่เนลสันเมนเดล่าใช้เวลาเหล่านั้นทำสวนผักออเก น, เนิและเขาเฝ้าดูยอดผักแตกหน่อต่อใบออกมายังมีความสุข เขารุ่นเริงเบิกบานทุกๆครั้งที่ได้เห็นยอดผักใหม่ๆผลิใบออกมาเขาบอกว่าเขารักยอดผักเหล่านั้นมากดังหนึ่งเป็นลูกชายลูกสาวของเขาเขารดน้าทุกวันแล้วเฝ้าดูมันทุกวันแท้ที่จริงเขาไม่ได้ปลูกผักเท่านั้นแต่เขากำลังฝึกสมาธิขณะที่ทำสวนการทำสวนนั้นทำให้เรามีสมาธิพอเรามีสมาธิเราก็ไม่อยู่กับความเศร้าเราก็ไม่อยู่กับความหลัง และทำให้จิตใจนั้นมีความสุขเมื่อถูกผู้คุมต้อนให้ไปสกัดหินด้วยการใช้กําลังแรงกายอยู่กลางแสงแดดที่ร้อนอบ อ, อ้าวเพื่อนเพื่อนของเขานั้นสกัดหิดนไปด่าไปบ่นไปยิ่งบ่นยิ่งดา่าแถมอากาศก็ร้อ น, vitamins, อ น, นอก็ทำให้สุขภาพจิตเสียร้อนทั้งข้างนอกร้อนทั้งข้างในแต่แมนเดล่าเขาเขาไม่บน่นเขาไม่ดา่า เขาถือคอนขึ้นมาแล้วยืนตระงานเบื้องหน้าก้อนเห็นแล้วก็บอกตัวเองว่าเขากำลังจะสร้างงานประติมากรรมชั้นยอดจากการสกัดก้อนเห็นเหล่านี้เขารู้สึกว่าเขากำลังเป็นมิเกลันเจโลที่กำลังสกัดก้อนเห็นให้เป็นรูปเดวิดซึ่งเป็นรูปแกะสลักจากหินอ่อนที่สวยที่สุดในโลกเมื่องานสกัดเห็นเสร็จสิ้นเขาก็ยังคงมีความสุขและสุขภาพจิต ด, ดี จากนั้นเขาก็ไปหากิจกรรมใหม่ๆให้ตเองทาเพื่อมาให้ฟังก์ชันนั่นก็คือการเรียนภาษาจากผู้คุมแล้วก็เรียนรู้อเมริกันฟุตบอ l ผู้คุมชอบดูอเมริกันฟุตบอลเขาก็ไปคุยจนกลายเป็นคู่รู้ในเรือนจำเขาเลยรู้ทั้งเรื่องกีฬาและเก่งทั้งภาษาเมื่อเก่งขนาดนี้ผู้คุมก็บอกว่า ถ้างั้นคุณขึ้นมันเป็นอาจารย์ก็แล้วกันสถานะของเขาสูงขึ้นตามลำดับจากนักโทษเขากลายเป็นอาจารย์อยู่ในเรือนจำและเขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองว่างเขาขออนุญาตผู้คุมให้ส่งหนังสือดีๆมาให้เขาอ่านในเรือนจำทุกวันและด้วยวิธีการดังกล่าวมาเมื่อเขาได้รับอิสรภาพ เขาจึงกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาอันแจ่มใสและแหลมคมสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงเมื่อออกจากคุกมาเขาลงเล่นการเมืองและชนนเลือกตั้งกลายเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้พอเป็นประธานาธิบดีแล้วทุกคนก็คิดว่าคราวนี้เขาจะต้องล้างแคนใครก็ตามที่จับเขาไปขังตั้ง27ปีแต่เปล่าเลย เขากลับออกคนมาเนีรละโทษกรรมอภัยให้กับทุกคนที่จับเขาไปขังและต่อมาเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเขากลายเป็นบุคคลสําคัญของประเทศและของโลกต่อมาห้องขังที่เคยคุมขังเขาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศนั้นนี่คือตัวอย่างที่บอกเราว่าบางครั้งเราไม่อาจเลือกชะตากรรม แต่เราสามารถเลือกวิธีที่จ ะ, ะเผชิญชะตากรรมได้บางครั้งเราก็ไม่ไม่ได้อยากเผชิญความทุกข์แต่บางทีก็มีคนทําความทุกข์หล่นใส่หัวเราซึ่งทําให้เราต้องมาอยู่ในเดือนจำและนั่นทําให้เรามีชะตากรรมที่ต่างออกไปเหมือนนักโทษวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอัตามาภาพเพิ่งเจอมาน้องคนนี้อายุแค่ยี่สเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชันน้นน วันหนึ่งนั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์แฟนหนุม่มไปเที่ยวผัาเธอไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มขายาเสพติดเมื่อถูกตำรวจตั้งด่านสกัดจับเธอถูกจับพร้อมแฟนหนุ่มและของกลางเธอถูกตัดสินจำคุก20ปีทั้งๆที่เธอไม่ได้ก่อในสิ่งที่เธอได้รับโทษทันแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะหลักฐานนั้นอยู่ในรถคันที่เธอนั่งไปด้วยเธอเขียนจดหมายนับร้อยฉบับ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเธอให้คนที่อยู่นอกเดินจำช่วยเธอแตกของเธอนำจดหมายของเธอมาให้อัตมาภาพอ่านโดยฉบับแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้เพราะในการอ่าภาษานั้นว่ากันไปตามหลมักธรรมนี่คือตัวอย่างที่บอกว่าบางครั้งเราไม่อาจเลือกชะตากรรมแต่เราเลือกที่จะรับมือกับชะตากรรมได้อาจารย์ก็เลยแนะนาให้น้องคนนี้เรียนหนังสือต่อไปอีกไม่กี่ปีก็จะจบปริญญาตรีแล้ว เราทุกคนมีชีวิตที่มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาบางอย่างเราก็เลือกได้แต่บางอย่างเราก็ไม่ได้เลือกไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่า ก, กล่าวโทษชีวิตอย่าน้อยใจในชะตากรรมของตัวเองและจงให้อภัยตัวเองการที่เรายังคงทำผิดและยังคงทำถูกบางครั้งก็ทำดีบางคราวก็ทำชั่วก็ไม่ต้องโกรธตัวเองจงให้อภัยตัวเอง ไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดการที่เรายังคงทําอะไรผิดพลาดก็เพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนซึ่งยังมีกิเลสและคนที่ยังมีกิเลสอย่างเราเราเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้เราไม่ใช่คนประหลาดเราก็คือคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นคนธรรมดาดังนั้นเราจึงทำผิดได้จึงทำพลาดได้เราก็ไม่ควรจะมานั่งโกรธตัวเองเราควรให้อภัยตัวเอง เมื่อให้อภัยแล้วให้เราถามตัวเองว่าจากจุดที่ยืนอยู่ฉันจะสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเราจมจมอยู่ในความรู้สึกผิดและถ้าเราไม่ยอมให้อภัยตัวเองเรายังคงตกอยู่ในความ บ, นบ่นมองครองเศร้าเรายังคงร้องห่มร้องไห้เรายังคงติดกับดักของความหลังเราจะกลายเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังสองชั้นหนึงถูกคุมขังทางกายภาพ 2. โูบคุมขังทางวิญญาณและกลงที่คุมขังเราก็คือความเศร้าความรู้สึกผดซึ่งเราเมอบให้ตัวเองการถูกคุมขังทางกายภาพก็น่าจะมากพอแล้วเราไม่ควรจะถูกคุมขังทางวิญญาณในเมื่อจิตใจและปัญญาของเรายังคงมีอิสรภเราก็ควรจะใช้อิสรภาพเท่าที่เราเมีนี้ทําอะไรสักอย่างหนึงซึ่งจะทาให้ชีวิตของเรามีคุณค่า อันตร า, ามีเรื่องดาวดีๆของนักโทษสองคนจะเล่าให้ฟังในโลกนี้มีพจนานุกรมอยู่หลายฉบับมากฉบับหนึ่งซึ่งเป็นฉบับ ท, ที่ดังมากๆและได้รับความเชื่อถือระดับโลกก็คือพจนานุกรมฉบับออกซฟอร์ดนักศึกษาภาษาอังกฤษทั่วโลกรู้จักพจนานุกรมฉบับออกซฟอร์ดแต่เรารู้หรือไม่ว่าพจนานุกรมฉบับนี้ มีผู้ช่วยเขียนซึ่งเป็นนักโทษในเรือนจำเมื่อมีการริเริ่มจัดทําพจนานุกรมฉบัอบออกสบัดขึ้นมาในสหราชอเมริกรคณะบรรณาธิการจัดทําพจนานุกรมเปิดรับคําสั่งจากประชาชนทั่วประเทศท่ำกลางคําสั่งนับหมื่นนับแสนนับล้านที่ประชาชนพลเมืองเขียนส่งเข้ามายัางคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม มีคลังคำศัท์ชุดหนึ่งถูกส่งมาจากใครคนใดคนหนึ่งเขียนด้วยลายมือบรรจงสวยงามและจะทำอย่างเป็นระบบชายคนนี้ส่งคำศัพท์พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างประโยคนับแสนแสนคำศัพท์ไปให้คณะกรรมาการจนคณะกรรมาการเอกใจขึ้นมาว่าชายผู้เป็นเจ้าของคลังคำศั่์ พร้อมทั้งคำอธิบายและตัวอย่างประโยคที่แสนไพเราๆเพราะรนี้เป็นใครกันจึงส่งคนออกไปตามหาแล้วก็พบว่าเขาเป็นนักโทษซึ่งบางครั้งก็มิกลชดบางครั้งก็กลับมาเป็นปกติคนหนึ่งนี่คือตัวอย่างที่ธรรมภาพได้บอกไว้ว่าเราหานจะถูกจํากัดอิสรภาพทางกายต่สรุรับทางวิญญาณ ใ, น ใ, นใครก็จากัดเราไม่ได้ กายของผู้ชายคนนั้นอยู่ในเรือนจำแต่สติปัญญาของเขานั้นได้เปิดอิสรภาพทางปัญญาให้แก่คนมากมายนับไม่ถ้วนที่รักในการเรียนและการพูดภาษาอังกฤษเราสามารถทำตัวเองให้มีประโยชน์มากมายแค่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่มัวแต่นั่งสมเพชตัวเองเป็นเรื่องน่ามหาัศจรรย์มากที่เมืองไทยก็มีนักโทษอัจฉริยะเช่นเดียวกัน เมื่อเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ ม, มีปัญญาชนคนหนึ่งถูกจับกลุ่มคุมขังให้ไปอยู่ที่เกาะตารุเตาพร้อมๆกับเพื่อนนักโทษอีกเยอะแยะมากมายนักโทษคนอื่นเอาแต่ร้องไห้เอาแต่ม่นหมองครองเศร้าหลายคนก็ติดเหล้าไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายไม่กินอาหารใช้ชีวิตเหมือนหนึ่งคนไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิต แต่ปัญญาชนคนนั้นเขาทำในสิ่งซึ่งต่างออกไปเมื่อกระโดดขึ้นจากเรือและถูกพัสดีนำไปคุมขังในในห้องส่วนตัวของเขาชายหนุมคนนี้หยิบหนังสือซึ่งเขาแบกไปด้วยหลายสิบเล่ม อ, ออกมาวางเรียงเป็นตันในห้องและเริ่มต้นจัดทาพจนานุกรมซึ่ง ต่อไปจะกลายเป็นผลงานระดับชิ้นโบแดก ข, ของตัวเขาต่อมาเมื่อได้รับอิสรภาพผลงานที่เขียนร่องติดคุกทั้งหมดก็ได้รับการจัดพิมพ์ซึ่งนักเรียนไทยยังใช้มาจนทุกวันนี้ในชื่อพจนานุกรมไทยอังกฤษอังกฤษไทยฉบับสเศรฐบุตรนี่คือสองตัวอย่างของชีวิตไม่สิ้นหวังอย่างที่ธรรมาภาพบอกแล้วว่าบางครั้งเราก็เลือกชะตากรรมไม่ได้ เราเลือกวิธีที่จ ะ, ะเผชิญชะตากรรมได้เราจะยอมจำนนหรือจะลุกขึ้นสู้ทุกคนยังคงมีสิทธิเลือกตราบใดที่ยังไม่ลมหายใจมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปบวชเป็นพระก่อนนั้นเขาเป็นโจรที่มีชื่อเสียงและทางการต้องการตัวมาก ต่อมาเขาหนีก็ดีมาบวชเมื่อบวชพระแล้วเขาพยายามฝึกสมาธิอย่างไรจิตก็ไม่สงบพระแต่ละรูปมองว่าสำหรับคนที่เป็นโจรอย่างนี้ไม่ต้องสอนหรอกเพราะสันดานโจรอย่างเขาไม่มีโอกาสบรรลุธรรมหรอกมีพระรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์สามารถระลึกชาติได้จึงนั่งสมาธิแล้วย้อนไปดูกรรมของพระภิกษุที่เคยเป็นโจรรูปนี้ ซึ่งเดี๋ยวนี้การระลึกชาตินั้นในวงการวิทยาศาสตร์ทางจิตก็สามารถทําได้แล้วมีนักจิตวิทยาชาวอเมริกาสามารถสะกดจิตให้คนคล้ยของตัวระลึกชาติได้เป็นรอยชาติฉะนั้นเรื่องระลึกชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเราทุกคนก็ทําได้เช่นลองย้อนนึกไปเมื่อวานเราทําอะไรหรือนึกไปว่าตอนเป็นเด็กเราโตมายังไง แต่พระอรหันต์รูปนั้นระลึกได้ยาวนานมากท่านระลึกชาติของพระนุ่มรูปนั้นได้เป็นแสนแสนชาติทุกๆชาติที่ท่านระลึกชาติไปเจอท่านก็เจอชายคนนี้เป็นโจรลุกชาติไปท่านก็เลยบอกชายคนนี้ว่าคุณน่ไม่ต้องมานั่งสมาธิหรอกจ้างให้ก็ไม่บรรลุธรรมหรอกท่านก็เลยถามว่าทำไมท่านพูดกับผมอย่างนี้ ก็ฉันเห็นไงว่าเธอเนี่ยเป็นโจรมาเป็นแสนแสนชาติชาตินี้เธอก็เป็นโจรชาติที่แล้วก็เป็นโจรชาติโน้นก็เป็นโจรคนที่เป็นโจรทุกชาติอย่างเธอเนี่ยมันเอาดีไม่ได้หรอกเมื่อได้ฟังอย่างนี้เขาจึงสิ้นหวังวันต่อมาอดีตโจรซึ่งได้กลายเป็นพระรูปนี้ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญก็ เ, เดินตามพระพุทธเจ้าไป เมื่อนั่งลงพระพุทธองค์ก็บอกวิธีให้เขาฝึกสมาธิภาวนาใช้เวลาเพียงครึ่งวันชายคนนี้บรรลุธรรมกลายเป็นพระอรหันต์ทันที <c oughs> เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วพระภิกษุทั้งวัดอัดสัจจใจมากว่าคนที่เป็นโจรมาเป็นแสนแสนชาติจะกลายเป็นพระอรหันต์ได้ยังไง <c oughs> จึงพากันไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่า พวกเธอเอาแต่ตัดสินพระภิกษุรูปนี้จากอดีตของเขาพวกเธอเอาแต่สนใจว่าเขาเป็นโจรเป็นโจรเป็นโจรและเป็นโจรก็การเป็นโจรนั้นเป็นเรื่องราวในอดีตทั้งนั้นไม่ใช่หรือปัจจุบันของเขาคือเขาเป็นพระฉันไม่สนใจว่าในอดีตพระรูปนี้เป็นโจรหรือเป็นใครตอนที่ฉันพบเขาเขาเป็นพระรูปนการเป็นพระคือปัจจุบันขณะของเขา และฉันก็สอนเขาจากจิต ท, ที่เป็นปัจจุบันเราทุกคนเกิดใหม่กันทุกขณะจิตอย่าไปเสียเวลากับความหลังคนคนหนึ่งจะเลวร้ายจะผิดพลาดอย่างไรก็ตามมันก็เป็นอดีตไปแล้วมันจบลงแล้วเอาเริ่มต้นจากปัจจุบันได้นปัจจุบันขณะเราทุกคนมีต้นทุนเท่ากันถ้าเราไม่ยอมให้อดีตมาครีบปัจจุบันทุกคนเริ่มต้นได้ทุกคนมีโอกาสทุกคน เกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งและนี่คือเหตุผลที่อดีตโจรอดีต น, นับโทษคนนี้หลุดจากความทุกข์กลายเป็นผู้ที่คนพบอิสรภาพทางจิตได้ประเด็นของเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่การรู้จักเริ่มต้นจากจุดที่เรายืนอยู่อดีตที่ผ่านมาวันๆที่ผ่านมาเราอาจจะมีชีวิตที่ไม่น่าพอใจหรือแม้กระทั่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ยังไม่พอใจตัวเอง แต่ใปัจจุบันขณะที่ทุกคนมาอยู่ในห้องนี้และกําลังฟังธรรมบัญญัติเราทุกคนได้ฟังธรรมะมีสิ่งดีๆผ่านสวดประสาทของเราเข้าไปในจิตเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยๆมีเรื่องใหม่ๆมากมายผ่านเข้าไปในจิตของเราแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วถ้าเราไม่เสียเวลากับอดีตอดีตก็ทําร้ายเราไม่ได้อดีตจะเป็นอย่างไรก็เหมือนเพลงที่จบลงไปแล้วเหมือนหนังที่ถูกดูไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราควรจะเริ่มต้นฟังเพลงใหม่และดูหนังเรื่องใหม่การเริ่มต้นนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทาฉะนั้นอรตมะภาพกอนให้พวกเราใคร่องควรให้ดีถึงเรื่องราวของพระภิกษุที่มีอันดีตอันเลวร้ายแต่แล้วท่านก็เริ่มต้นใหม่ได้อรตมะภาพมาที่นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนและก่อนจะจบก็อยากจะพาพวกเราได้เจริญสติ ซึ่งธรรมาภาพมีเพลงสำหรับเจริญสติอยู่สองเพลงจะให้ฟังเป็นเพลงเดียวกันแต่มีสองเวอร์ชั่นเพลงนี้เป็นเมดิ t ทชันซองหรือเพลงสำหรับภาวนาเมื่อฟังแล้วจะทำให้จิตใจของเราสงบสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจละลายความเครียดความหม่นมองคลองเศร้าจะลดความเข้มข้นลงไปเพื่อให้เราได้สัมผัสกับเพลงนี้จริงๆธรรมาภาพขอจเจริญพรเชิญพวกเราทุกคนให้ยืดตัวขึ้นมา นั่งภายหลังตรงประสานมือไว้ตรงหน้าตาแล้วก็หลับตาลงลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจากนั้นลองฟังเพลงนี้อย่างลึกซึ้งจริงๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อเราฟังไปถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเราเข้าใจทันทีก็ขอให้ทําตามที่เนื้อเพลงบอกภาษาเปิดก็เช่นเดียวกัน สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบัน ทุกสิ Right here, right now. breathe. Up. i s not.